บทอาราธนาสิห์า้ามยังพันเตวิสุงวิสุงรัคขณทายะติสารณเนนัสหาวันจะสิลานิยาจะามาทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตายะ ติสารเนนะสหปัญจสีลานิยจามาตะติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขันตธาญติสารเนนะสหปัญจสีลานิยจามา